โดยปกติโดยพื้นฐานรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามโดยสภาพที่เป็นจริงแล้วโดยมากกำลังสร้างข้อปฏิบัติเพื่อวัตถะเจริญวัตถะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ารูปประคันไม่งามอสุภะบอกทำใจไม่ได้ต้องงามสิต้องแต่งจนได้จะได้งามงามที่สุดเท่าที่จะงามได้แล้วก็หลงชื่นชมเพลิดเพลินอยู่นั่นแหละ มันไม่งามยังไงก็พยายามจะปกปิดปลบเกลือนจนงามจนได้จนรกระทั่งเมาให้มันเต็มที่ที่จะเมาได้ก็สุดยอดเท่าเท่าที่จะทําได้อนะหวังว่าสักวันหนึ่งมันองดีกว่านี้จะต้องงามกว่านี้จะต้องคิดให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปชาตินี้ไม่งามช่างมันชาติหน้าต้องงามกว่านี้แต่มันก็คิดไว้แต่ไว้อย่างนี้ซะส่วนใหญ่การคิดแบบนี้แหละคือข้อปฏิบัติเพื่อสร้างวัตถะเพื่อสร้างกองทุกต่อไปนั้นโดยมากทั่วทั่วไปเรียกว่าไม่มีสติ คือเผลอเพราะสายใจในความเป็นสุภะไม่เถียงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์พูดไม่จริงพระองค์บอกว่าอาสุภะก็เชื่อนะว่าเป็นอสุภะแต่ทำยังไงที่จะให้มันสุภะจนได้เนี่ยก็จริงก็ไม่เถียงไม่เถียงไม่ว่าไม่ค้านไม่อะไรแต่ว่าอยากให้สุภะมากกว่านนเพราะโดยใจจริงๆเนี่ยวังในความเป็นสุภะพัน พื้นฐานลึกๆเนี่ยเขาเรียกว่าสุภวิปลาดความวิปริตเนี่ยนะความวิปริตคือความสําคัญว่างามก็ยังหวังว่าจะต้องงามจะต้องงามก็หวังไปเรื่อยไปเรื่อยหวังอยู่ร่ําไปโดยที่ไม่เคยคิดว่าตัวความหวังตัวความเพลิดเพลินอันนั้นคือสมุทยัยสัจจ์เหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะเมื่อมีตันหาตันหาเกิดขึ้นก็มีอุปาทานเมื่อมีอุปาทานก็มีพบเมื่อมีพบก็มี ชาติชรามมรณะโศกะปริเทวทุกโทมนัสและอุปายาตสังสารทุกข์ก็ไหลสืบเนื่องไปไม่มีจบมีสิ้นคือเนื่องจากว่าเราเห็นแต่อัศาธ า, าเห็นแต่ความหวานชื่นที่เกิดจากการตามเพลิดเพลินว่างามการคิดว่างามนี่มันมันรู้สึกดีในตอนที่เจริญตอนที่มันเกิดขึ้นตอนที่เพลิดเพลินนี่รู้สึกว่ามันดีแต่เราก็คิดถึงแต่ตอนต้นเราไม่เคยคิดถึงปลาย หมายความว่าเราเห็นแต่โคนไม่เห็นกลายนะไม่เห็นยอดว่ายอดของความเพลดิดเพลินเหล่านั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ความทุกข์เนี่ยนะอยู่ที่ความทุกข์ฉะนั้นถามว่าเพลดิดเพลินรูปเท่าไหร่จะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสเท่านั้นนยนะ จายด้วยโสกะปริเทวะทุกโทโมนัสและอุปายาตเท่านั้นเพราะพื้นฐานปกติของมันก็คือสิ่งที่มีชาติชรามรณะอยู่แล้วอันนี้คือปกติของรูปปั้นรูปปั้นจะเมื่ อ, อไร่ที่ไหนอย่างไรก็ชาติชราและมรณะแต่สําหรับผู้หลงเพลิดเพลิน น, นะเพลิดเพลินจะด้วยอะไรก็ช่างเถอะความเพลิดเพลินอันนั้นคืออาหารที่อร่อยหรือปุ๋ยของโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาตปุย้ยแห่งสังสารวัตรปุย้ยแห่งสังสารทุกข์ที่นี้การศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเราต้องพยายามก็ทวนอีกครั้งหนึ่งว่าธรรมสารนังคตฉามิเนี่ยนะคำนี้ยเราต้องจําให้แม่นให้ดีๆเราจะคิดอย่างไรเราจะคิดว่ารูปประคันงามไม่งามก็ช่างเราเถอะเรื่องของเราจงยกไว้ก่อนแต่ว่าคําสอนว่าไว้อย่างไร แล้วเราจะคิดตามคําสอนได้อย่างไรตรงนั้นต่างหากเป็นข้อปฏิบัติแต่ว่าพื้นฐานเระบอกว่างามสวยดีจะคิดอะไรก็คิดไปเถอะตามเรื่องของเราไปแต่ในฐานะที่เรารู้ว่าวิธีการของเราเนี่ยมันไม่ดีเพราะเราก็คิดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วคิดมาตั้งกระเล็กกระน้อยคิดมาหลายภพหลายชาติแล้วมันก็ไม่ได้ประสบความสุขอะไรมีแต่ทุกข์อยู่ร่ําไปเอาเถอะเราตั้งหลายมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว มีทุกอย่างลงแล้วทำชฉไหนะการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงมีจะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ยอมรับแล้วว่าไอวิธีการของเรานี่ไม่ดีในตอนท้ายดูดีในตอนต้นเริ่มต้นแหมมีความสุขมากดีมากฉลองกันหน้าดูเลยใช่ไหมแต่ตอนจบนี่สิอะไรนะตอนตอนวันเกิดใช่ไหมโอ้ฉลองกันหน้าดูแล้ววันตายนะวันโศกวันเศร้านะ นะวันเกิดเนี่ยโว้ฉลองกันทุกปีเลยนะแต่วันตายก็เรียบร้อยเนี่ยนะคือวันเศร้าวัวนโศกกระไรเทวะทุกขโทมนัปและอุปาญาตวันวิปโยควันมหาทุก์เนี่ยนะแ้่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่ชาติเดียวนะไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วเราก็ยอมรับแล้วว่าวิาวธีการคิดของเราวิธีการเจริญของเราโดยที่เราตามเพลิดเพลินในรู ป, ปขันเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลย นอกจากาเพิ่มน้ำตาเท่ากับน้ำทะเลมหาสมุทรมากกว่าเพิ่มการดื่มดื่มน้ำนมเท่ากับน้ำทะเลมหาสมุทรมากกว่าศูนย์สเสียเลือดมากกว่าทะเลมหาสมุทรกระดูกที่กองทับถมอยู่ในโลกเนี่ยนะเพิ่มพูนปัตพีที่เป็นตาชา้ามากกว่าเขาเวปุระบรรพศ ต, ต่อกับหนึ่งเราก็รู้แล้วว่าเป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อสร้างทุกข์ จุดจบของความเพลิดเพลินในรูปประคันก็คือวัตทุกข์สังสารทุกข์อบายทุกขติวินิบาตนรกทั้งมวลเหล่านั้นก็เกิดจากการตามเพลิดเพลินรูปประคันถ้าเรามองเฉพาะแค่ตอนต้นตอ น, ตอนเพลิดเพลินตอนมัวเมาตอนมีฉั้นราคาใ น, นเราบอกไม่น่าจะมีโทษอะไรเลยมีอุปมาอันหนึ่งพระองค์ตรัสว่าน้ำนมที่รีดใหม่ๆถ้าดูธรรมดาก็เหมือนไม่มีอะไรใช่ไหม แต่ถ้าเก็บไว้สักสามวันไปแล้วจะเป็นยังไงอานะอาหารตอนประกอบเสร็จนะลนกลิ่นหอมกรุ่นอาหารถ้วยนั้นะเก็บไว้สักสามอาทิตย์าานะจะเป็นอะไรเฮ้ยมันเขาไม่เรียกอาหารแล้วเปลี่ยนสภาพไปตั้งนานแล้วฉันใดก็ดีความเพลดิดเพลินเหล่านั้นก็เหมือนกัน พรองคตว่าโสอะไรนะความรักเนี่ยนะฉันธราคะเนี่ยมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัทและอุปายาตเป็นผลนั่นเป็นผลแห่งฉันทราคะนั่นเป็นผลแห่งความรักนั่นเป็นผลแห่งความเพลิดเพลินนั้นถ้าเพลิดเพลินเท่าใดก็ต้องจ่ายด้วยโสกะปริเทวะทุกโทมนัทและอุปายาตความเพลิดเพลินเหล่านั้นเหตุแห่งทุกทั้งภพนี้เป็นเหตุแห่งทุกทั้งภพหน้าเป็นเหตุแห่งทุกในวัฏฏะต่อไปนะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่า ความเพลิดเพลินของเราเนี่ยนะการเจริญฉันทราคะของเราการเจริญสมุทยัยสัจจะของเราเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนวัตถุทุกเป็นการเพิ่มพูนสังสารทุก์เราก็ต้องพยายามมองให้มันตลอดสายอยู่ตลอดเวลาทำความเข้าใจว่าเพลิดเพลินเมื่อใดอนะถ้าตันหาค่าความเพลิดเพลินเกิดขึ้นเมื่อใดทุกเกิดขึ้นเมื่อ น, นั้นนะปุณ น, นะ ถ้าความเพลิดเพลินเกิดขึ้นทุกก็เกิดขึ้นนะปุณณนะแค่ว่าพุทธพจน์อันนี้ต้องไม่เผลอต้องจําได้เสมอระลึกได้เสมอว่าถ้าเราเพลิดเพลินที่จบของความเพลิดเพลินคือโสกปริเทวทุกขโทมนัตและอุปายาตซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะในรูปประคันเหล่านั้นจะเมื่อใดอย่างไรมันก็คือสภาพที่เป็นอสุภะทีนี้ถ้าเราตามเห็น แบบหลอกหลอกตัวเองตลอดเนี่ยนะหลอกตัวเองตลอดว่าสุภาพสุภาพสุภาพหลอกตัวเองหลอกจนเชื่อสนิทใจว่าสุภาพจริงๆเลยนะเราก็รู้แล้วว่าจบที่ไหนจบที่การเพิ่มพูนปติปีที่เป็นป่าช้าเนี่ยนะเพิ่มพูนเพิ่มพูนอบายทุกคติวินิบาตนรกเพิ่มพูนสังสารวัตเพิ่มพูนสังสารทุกเรารู้แล้วว่าจบแบบนั้นอันนี้คือเจริญแบบเราคิดแบบเราคิดแบบคนไม่มีศาสนา ไม่มีอธิปัญญาศิษขาไม่มีไตราสารณคมไม่มีคําสอนไม่มีอะไรใช้ชีวิตเพลิดเพลินไปอย่างนี้เรารู้แล้วว่าจบที่ไหนทีนี้ถ้าลองมาคิดตามพระพุทธเจ้าดูมาพิจารณาตามพระพุทธเจ้าดูมาเจริญตามพระพุทธเจ้าดูพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอสุภะแล้วมันอสุภะอย่างไรอสุภะอย่างไรใช่ไหมก็ชีวิตเนี่ยอย่างรูปประคัมมีองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือ พระองค์ตรัสว่าไงนะเกากายนี้เป็นที่ประชมแห่งภูตรูปสี่ินน้ำไฟลมมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุขนมสดต้องอบต้องนวดต้องฟันอยู่เป็นนิดเนี่ยนะก็ดูภาระในการบารุงเลี้ยงดูร่างกายนี้ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะยิ่งเลี้ยงยิ่งเดือดร้อนยิ่งดูแลยิ่งลำบากไปเช้าไปโรงพยาบาลสง่งมาเฮ้ยพระป่วย น, นะ พระก็ป่วยเหมือนกันเดี๋ยวพระก็ตายเป็นนะเนี่ยจว่าแต่โยมป่วยตายแล้วหมืนกันพระก็ป่วยพระก็ตายเหมือนกันนั้นก็ที่หมอก็ยังตายเลยหมอก็ป่วยหมอกขาตายเนี่ยนะแล้วใครจะไม่ตายบ้างเพราะสาธเตี่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีเมื่อชีวิตเนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยมีอมีเป็นที่ประชมแห่งมหาพูดมีบิดามารดาเป็นแดนเกิด เจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดก็คือด้วยอาหารการเป็นอยู่รวมทั้งยุกยาเป็นต้นเลี้ยงดูอยู่อย่างนี้เนี่ยนะถามว่าชีวิตแห่งความเป็นตายเนี่ยชีวิตดำรงอยู่ด้วยอะไรรูปประคันเหล่านี้ดำรงอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยอาหารอะนะเพราะอาหารเกิดรูปเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแต่รูปเหล่านี้ที่แปลสภาพอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกอะนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นตัวที่ทาให้อัตภาพคือภูตรูปเหล่านี้อยู่ได้ ชีวิตนี้ขาดลมหายใจได้นานเท่าไหรห้านาทีนี่แย่เลยนะห้านาทีนี่สมองเรียบร้อยแล้วหมดสภาพแล้วสามนาทีนะเอาเพื่อห้านาทีแล้วให้มันเต็มที่ไว้ก่อนว่าไม่รอดแน่ขาดลมหายใจสามนาทีห้านาทีนี่ก็เรียบร้อยแล้วเกิดตั้งนานแล้วเหมือนกันนะเกิดตั้งหลายขณะจิตเรียบร้อยแล้วท่านชีวิตนี้อยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกทัานลมหายใจเข้าออกนั้น่ะ อานาปานสติกรรมฐานในกายานุปัสนาพระพุทธเจ้าจึงแสดงเป็นเบื้องต้นอานาปานสติที่แสดงในกายานุปัสนาเป็นเบื้องต้นก็เพราะเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ด้วยอานาปานสตินะนี่เหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่ที่สองต่อไปก็คือชีวิตนี้มันเนื่องด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปอยู่ที่ไหนที่สิ่งที่เราไม่ลืมเลยก็คือลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะ อาหารนี่ยังอยู่ได้ตั้งหลายชั่วโมงไนงะแต่ลมหายใจเขาออกถือว่าสั้นที่สุดในบรรดาสริพระพันก็ให้พิจารณาว่าชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจเขาออกถ้าลองปิดปากปิดจมูกดูเหอะอัอะไรจะเกิดขึ้นอยู่ได้ไม่เกินห้านาทีก็ถือว่าอนะัจุติแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าลมหายไม่หายใจเลยประมาณสักห้าเอ่อสามนาทีแล้วนะผิวจะเป็นยังไงผิวนีนเริ่มมีปัญหาเลยนะ ผิวที่ว่าเคยงามเนี่ยหมดงามไปตั้งนานแล้วถ้าถ้าถ้าเลิกหายใจเนี่ยนะทันที่เรายังดูสดใสอยู่เนี่ยยังดูงดงามอยู่เนี่ยก็เพราะยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ถ้าไม่หายใจเข้าออกเนี่สีจะเปลี่ยนนะใช่ไหมเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีสีเขียวเนี่ยนะพร้อมที่จะเป็นสีอื่นเลือดที่ว่ามันดีๆเนี่ยกลายเป็นสีอื่นไปหมดเลยเริ่มมีปัญหาทันความเป็นอสุภะของกายเนี่ยนะก็ดูหนังกัลมหายใจเข้าออก นี่เนื่องจากมีลมสืบเนื่องเป็นไปนะกายเหล่านี้ยังเป็นไปได้ทีนี้กายเหล่านี้ยที่เป็นไปได้สิ่งที่ไม่ลืมอีกอันหนึ่งคือกายที่มีลมหายใจเข้าออกลองให้อยู่อิรยาบทเดียวตลอดตปได้ไหมไม่ได้เดินอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวนอนอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมไม่ได้เพราะกายเนี่ยอาศัยลมหายใจเข้าออกเนื่องด้วยอิรยาบททั้งสี่ คนที่อยู่ในอิริยาบทใดอิริยาบทหนึ่งเกินไปอายุสั้นนะเกินไปนั่งเกินไปก็อายุสั้นนอนเกินไปก็อายุสั้นถึงไม่สั้นก็ยาวก็ยาวแบบไม่มีสภาพแล้วนะนีเรียกว่าแทบไม่มีสภาพแห่งความเป็นอะไรเลยนะทีนี้เนื่องจากชีวิตเนี่ยเนื่องจากอิริยาบทใช่ไหมเป็นไปด้วยอิริยาบทยืนเดินนั่งและ นอนมีเมื่อใดบ้างที่เราไม่อยู่ด้วยอิริยาบถสี่มีไหมก็อย่างที่ว่าโทษของการเปลี่ยนอิริยาบถไม่สม่ําเสมอคืออะไรโรคทั้งหลายเนี่ยนะโรคทั้งหลายมีการเปลี่ยนอิริยาบถไม่สม่ําเสมอทั้งชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจแล้วก็ชีวิตเนื่องด้วยอิริยาบถสี่ที่ไหลไปเป็นไปเมื่อมีอิริยาบถสี่เนี่ยนะความเป็นไปแห่งรูปประคันเหล่านี้ก็มีอะไรมีไปมีมามีแลมีเหลยวมีคู่มีเหยด นนะมีอะไรมีคู่มีเหยียดมีการนุ่งหม่มมีการกินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะมีการหลับตื่นพูดนิ่งก็ขยับเป็นไปชีวิตก็เป็นไปอยู่อย่างนี้ถามว่าถ้าแยกแยะ แ, แล้วคืออะไรก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกไตหัวใจตับทังเปืด ม, ม้ามปอดลำไส้สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศรีรษะเนี่ยนะน้ำดีน้ำ เสล่น้ำเลือดน้ำหนองน้ำมันคข้นน้ำมันเล้วน้ำไข่ข้อน้ำน้ำตาน้ำมูดน้ำลายน้ำไข่ข้อแล้วก็ปัสสาวะลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลงในช่องท้องลมในลำไส้ลมหายลมพัดทั่วสารพางกายลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาศัยไออุ่นคือเตโชธาต์เตโชธาต์ที่ทําให้ร่างกายอบอุ่น เตโชท่าที่ทำการทาให้ร่างกาย ช, ชราแล้วก็ทําให้ป่วยไข้แล้วก็ท่าไฟที่ช่วยการย่อยอาหารหรือย่อยสลายเนี่ยนะก็มีการย่อยสลายมันเมื่อท่าสี่เหล่านี้ยังเป็นไปรูปเหล่านี้ก็เป็นไปได้มันชีวิตเนื่องด้วยท่าสี่ถ้าา่าดินงอแงอนะเช่นผมขนเล็บฟันตั้งแต่ฟันถ้าฟันเริ่มงอแงในเริ่มเดือดร้อนแล้วนะถ้าฟันมีแต่ฟันโยกทั้งทั้งปากเลยนะ ลำบากแล้วไง